ตอนความต่างแห่งสภาวธรรมวันที่ส7เจ็กระะกราคม 2,559 กหาร้าบกาล่าวน้ัสการพ ร, ระคุณเจ้าสามเณรคุณเมชีกันลยไม่ทุกท่านก็นั่งสบายๆเนาะเป็นปกติทุกคืนวันอาทิตย์นะก็ก่อนอื่นพ่อครูก็ขอแจ้งข่าวนะกำหนดการ กำหนดการวันที่ 18, 19, 20วันที่18คือพรุ่งนี้ตอนเช้า8โมงครึ่งมีพิธีบวชคุณเมชีสองท่านนะถ้าท่านใดสนใจจะไปร่วมอนุโมนาด้วยก็อยู่ที่ศาลาพลานธรรมอยู่ด้านหลังแล้วก็ วันที่ส9เวลา1 3บ0ศนพระพาภิกษุสามเณรแม่ชีทั้งหมดร่วมถ่ายรูปพร้อมกันศาลาจิตตานุภาพจากนั้นเชิญร่วมฟังธรรมะเทศนาจากพาภิกษุนะแล้วก็ส4บสี่นอก็ปฏิบัติเป็นปกตินะ ตอนเย็นเหมือนกันแล้วก็กลางคืนร่วมสวดมนต์ทวัดเย็นเสร็จแล้วเวียนเทียนนะและปล่อยโคมลอยที่องค์พระพุทธเมตตาเนรมิตสุขทันใจจากนั้นร่วมปฏิบัติโปรแกรมนานาจิตตังที่ศาลานะ วันที่ยี่สิบตอนเช้าหกโมงครึ่งร่วมตักบาตรในวันเข้าพรรษาโดยมีพระภิกษุสงฆ์ถึงวันนี้คือยี่สิบรูปแต่พรุ่งนี้บัลลืนนี้ก็มาสมทบก็ยังไม่รู้ก็ตอนนี้ยี่สิบรูปสามมเนนสิบห้ารูปคุณแม่ชีห้าสิบเก้าท่านรวมแล้วเก้าสิบสี่ ก็ปฏิบัติเป็นปกตินะแล้วก็ตอนเย็นร่วมสวดมนต์ทำวัดเย็นจากนั้นคณะพระภิกษุสงฆ์สามเณรคุณเมธีทั้งหมดร่วมอธิษฐานเข้าพรรษาจากนั้นร่วมกันปฏิบัติโปรแก ร, รมนานาจิตตังอันนี้ก็แจ้งข่าวนะก็เป็น ประจำทุกปีวันสำคัญทางศาสนานะก็ติดพันกับอาทิตย์ที่แล้วพรอครูบรรยายถึงครึ่งหนึ่งฝนตกลงมาแรงมากได้ยินบ้างไม่ได้ยินบ้างก็อัดเทพก็มีรบกวนพรอครูก็ขอเกินอีกครั้งหนึ่งนะต่อยอดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะก็เพื่อให้มันชัดเจนขึ้น เราเกินถึงเรื่องเซนนะครับทีนี้ไอ้มีญาติธรรมท่านหนึ่งเมื่อวันก่อนถามพรอครูว่าย้อนกลับไปฟังคําบรรยายพ่อครูเมื่อ <clears> ยี <fra> ่สิบกว่าป <se> ีก่อนนะผู้พ่อครูพูดภาษาธรรมล้วนๆฟังเข้าใจง่ายแต่ช่วงหลังนี่พ่อครูพูดภาษาพระฟังรู้เรื่องบางไม่รู้เรื่องบ้างเขาถามว่าทําไม นะก็ผู้รู้ทางศาสนานะเขาก็สนใจนะเขาก็ตั้งคำถามเป็นภาษาพระภาษาวิชาการต่างพุทธศาสนานะก็พ่อครูคุยกับใครก็ได้นะคุยกับเด็กเด็กอายุสามขวบสี่ขวบก็ได้นะก็แล้วแต่เหตุปัจจัยนะไม่มีเจตนาอะไรแล้วช่วงหลังเนื่องจากมีสามเณร คุณไม่ชีน้อยเราบวชนะก็ถือโอกาสนี้เนี่ยให้เรียนรู้เรื่องพุทธศาสนาไปพร้อมๆกันนะถ้าตามพวอครูแล้วเนี่ยพวกคูก็พูดภาษาธรรมภาษาธรรมดาตลอดนะก็มีบ้างนะบางครั้งมีบ้างฟังรู้เรื่องไม่รู้เรื่องก็ผ่านไปก็ก็ไม่ต้องเสีสนใจนะอาทิตย์ที่แล้วพวกครูพูดเรื่องเซนนะ ที่มีนิทานเซนเรื่องหนึ่งสั้นๆคือธรรมะบางทีเราเป่องออกมาตรงๆเนี่ยมันยากที่จะอธิบายสิ่งที่เราต้องการสื่อนะเซนนี่ยเขาชอบใช้วิธียกตัวอย่างเล่านิทานนะเมื่อเราเราเล่เ า, าจับประเด็นปุ๊บเราฟังปุ๊บเราจะเข้าใจเนื้อหาของมันมันไม่มีภาษาธรรมใดพูดออกมาปุ๊บทุกคนเข้าใจเหมือนกันหมด นะก็อาทิตย์ที่แล้วเกิดถึงมีชายคนหนึ่งยือนอยู่บนยอดเขาแล้วก็มีอีชายอีสามคนเนี่ยเป็นผู้เดินทางเดินทางมาพร้อมกันนะแล้วบังเอิญหันยกมองขึ้นไปบนยอดเขาเห็นผู้ชายคนนั้นนะผู้ชายคนแรกก็ทีแรกก็คิดอยู่ในใจว่าเอ๊ผู้ชายคนนั้นน่ะ เขาน่าจะทำสัตว์เลี้ยงที่เขารักหายนะเพราะตัวเองเนี่ยเป็นคนเลี้ยงวัวนะก็เอาความรู้สึกตัวเองว่าเขาน่าจะทำวัวเขาหายเขาขึ้นไปบนที่สูงเพื่อจะมองว่าวัวเขาอยู่ตรงไหนนะคนที่สองเป็นคนที่รักเพื่อนมากนะคบขาสมาคมเนี่ยมีความสุขกับเพื่อนนะมีมีมีความผูกพันกับเพื่อน เขาก็คิดว่าผู้ชายคนนั้นน่ะเพื่อนเขาน่าจะหายนะเขาคงขึ้นไปข้างบนเพื่อมองหาเพื่อนเขาอยู่ที่ไห น, นคนที่สามนะเป็นคนรักษาสุขภาพนะนะก็คิดว่าเขาขึ้นไปข้างบนเนี่ยเขาน่าจะไปสูดอากาศบริสุทธิ์นะที่เที่ยวก่อนเขาก็ยกตัวอย่างว่าคนแรกเนี่ย อยู่ที่สมองวิทยาศาสตร์ทุกวันนี้เนี่ยอยู่ที่สมองอยู่ที่ไอคิวนะแล้วก็คิดแต่เรื่องผลประโยชน์นะน่าจะทําทรัพย์สินหายกลัวนี่ก็เป็นทรัพย์สินหายเนี่ยขึ้นไปหาทรัพย์สินส่วนที่ขอคนที่สองนี่อยู่ที่หัวใจคนแรกที่หัวสมองคนที่สองที่หัวใจนะความรักความผูกพันนะเขาก็มีอารมณ์มองว่าเอ๊ะเพื่อนรักเขาคงหายไป ส่วนคนที่สามนั้นน่ย ท, ที่เที่ยวก่อนไม่ใช่เซนนะไอ้ น, นี่คือนักวิทยาศาสตร์สมัยโบราณเนี่ยเขามองมนุษย์นี่ยเขาแยกเป็นสามส่วนนะแยกเป็นสามเยหนึ่งคือหัวสมองสองหัวใจสามอวัยวะเพศหัวสมองอยู่สูงสุดเขาบอกเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะหัวใจอยู่ที่สองนะอวัยวะเพศอยู่ที่ต่ําสุดทีนี้ ไอ้สามสิ่งนี้มันเคยเถียงกันนะสมองว่าฉันเนี่ยยิ่งใหญ่มากคนคิดอะไรเนี่เก่งมากนะไอ้หัวใจยังบอกถ้าไม่มีฉันเนี่ยก็ไม่มีเธอถ้าหัวใจไม่เต้นปุ๊บเนี่สมองมันก็ตายส่วนอวัยเพศบอกว่าถ้าไม่มีฉันนะี่ยพวกเธอก็ไม่ได้เกิดนะสามคนนี้เนี่ยเดินไปก็ถกกันไปฉันว่าเขาทําำัวหาย ฉันว่าเขาทำเพื่อนเพื่อนรักเขาหายฉันว่าเขาไปสูดอากาศนะถกเถียงกันจนขึ้นไปถึงยอดเขาพอไปใกล้ชิดชายคนนั้นเขาก็เลิกถกเถียงกันนะเลิกถกเถียงกันเขาคิดว่าเอ้ยเขาเจอของจริงละนะคนแรกก็ถามไปเลยว่าท่านมายืนอยู่ที่นี่เนี่ยท่านทำวัวท่านหายใช่ไหมคำตอบคือเปล่า คนที่สองก็ถามออกไปเลยว่างั้นเพื่อนันท่านหายใช่ไหมเขาบอกว่าเปล่านคนที่สามก็ไม่ได้เรียนดูอะไรเลยน ะ, ะคิดแต่ว่าเป็นทีของฉันฉันชนะแน่พวกเธอแพ้ถามว่าท่านมาอยู่ที่นี่เนี่ยเนื่องจากท่านมาสู่อากาศบริสุทธิ์ใช่ไหมคำตอบก็คือว่าเปล่า ทีนี้สามคนนี้แย่งกันถามพร้อมกันว่าแล้วท่านมายืนอยู่ที่นี่ทำไมเขาตอบว่ามายืนอยู่เฉยๆมันสะท้อนให้เห็นอะไรทุกคนเนี่ยถามหาคำตอบที่ตัวเองต้องการเขาก็เปรียบเซนเขาก็ยกตัวอย่างว่าถ้าชายที่อยู่บนยอดเขานี่เปรียบเสมือนาศาสดาพระพุทธเจ้า พระอัลเลาะห์หรือพระเยซูขนาดไปเจอแล้วเนี่ยนะนะยังไม่ถามตรงๆว่าถ้าเราต้องการความจริงจากท่านเราก็ถามตรงๆว่าท่านมาอยู่ที่นี่ยืนที่นี่ทำไมแต่มนุษย์เราเนี่ยพยายามจะแสวงหาความหมายซึ่งตัวเองต้องการไม่มีเรื่องก็ตั้งโจทย์ขึ้นมาเถียงกันทะเลาะบแวแดงกันนะ ถ้าถามตรงๆตั้แต่แรกเลยว่าท่านมายืนอยู่ที่นี่ทำไมเราเขาจะได้คำตอบตรงๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราไม่เราไม่ต้องการทำคำตอบตรงๆเพราะเราไม่ได้อะไรเราจะถามนำในสิ่งที่เราต้องการคำตอบที่เราพอใจเราบอกน่ะเห็นไ้ยฉันทายถูกมนุษย์เราทุกวันนี้จึงทะเลาะกันทั้งโลกทั้งโลกนะคุยกันไม่รู้เรื่องไง ที่ผู้คุยยกตัวอย่างบ่อยๆไม่มีเจตนาอะไรน ะ, นะเรียนจบสูงสุดปริญาเอกเป็นด็อกเตอร์แล้วเรียนจบภาษาศาสตร์มาพร้อมกันออกมาคุยกันไม่รู้ภาษาแล้วคุณจะเรียนภาษาไปทำไมความรู้ทุกวันนี้มันเป็นแบบนั้นจริงๆแล้วองค์ความรู้วิชาการมันเป็นกลางๆมันไม่มีอะไรเสียหายแต่ทิฏฐิมณะของเราเนี่ยนะ ไปเอาความรู้นั้นมาเป็นเครื่องมือเพื่อจะเอาชนะค้าขานกันมันถึงทะเลาะเบาแวงกันไม่มีเรื่องก็ตั้งโจทย์ให้มันมีเรื่องนะเซนเขายอบชอบยกตัวอย่างแบบนี้เนี่ยให้เรามองภาพชัดว่าเนี่ยเล่านิทานให้ฟังมันเป็นแบบนี้ก็เขาก็สรุปว่ามีมนุษย์เท่านั้นอะ มีมนุษย์เท่านั้นที่สแสวงหาความหมายสัพสิ่งธรรมชาติทุกอย่างเขาไม่ต้องการความหมายดอกไม้ใบหญ้าสัตว์ต่างๆมันไม่ต้องการความหมายเห็นไมดอกกุหลาบเขาก็มีหน้าที่เลี้ยงดูตัวเองมนก็ออกดอกอันนี้สีแดงสีเหลืองสีอะไรมันไม่ไปนั่งเถียงกันเลยว่าทำไมเธอสีแดงทำไมฉันสีเหลือง นะเออทำไมเธอมีหนามทำไมเธอไม่มีหนามเพราะมันไม่มากเรื่องมนุษย์เราเท่านั้นเป็นสิ่งเดียวที่ตามหาความหมายเพราะเรามีความอยากนะเขาพูดอย่างนี้เนี่ยก็ไม่ใช่ถูกทั้งหมดนะนะบอกว่ามนุษย์ปุ๊บเนี่ยมนุษย์ทุกคนเป็นแบบนั้นนะก็ไม่ใช่ ถ้ามนุษย์เกิดมาปุ๊บเนี่ยเราเป็นชาวป่าเป็นทาสานเราไม่เคยเรียนหนังสือเลยไม่รู้ภาษาด้วยมันก็ไม่แสวงหาความหมายถึงเวลากินก็กินถึงเวลานอนก็นอนนะแต่เนื่องจากมนุษย์เราเนี่ยเป็นสัตว์ประเสริฐเรามีสมองโตกว่าช้างและแล้วก็ เราเป็นสัตว์ชนิดเดียวเท่านั้นที่คิดที่จะทำความดีได้แล้วก็ทำความชั่วได้ด้วยทีนี้ความหมายที่เราสแสวงหาทุกวันนี้เนี่ยก็อยู่ที่วัฒนธรรมประเพณีค่านิยมของสังคมในยุคนั้ น, น, นยุคเราเนี่คือยุคอะไรนะนั่งอยู่ที่นี่รุ่นเดียวกันหมดเลยนะนะอายุเท่าไหร่ก็ช่างเรารุ่นเดียวกันคือยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ผู้ชนะสงครามตั้งโจท์โลกตั้งโจท์โลกทุนนิยมแข่งขันเสรีโดยมีวัตถุเป็นตัวแข่งขันความสุขเกิดจากการบริโภคการเสพความสะดวกสบายแปลเป็นความสุขทีนี้ทุกคนก็เกิดความอยากขึ้นมาก็อยากบริโภคอยากบริโภคสิ่งที่ดีกว่าดีกว่าในที่นี้ส่วนมากก็คือแพงกว่าถ้าของแพงก็ดี ก็เลยการเกิดจากการเกิดการแย่งชิงทรัพยากรเห็นไหมความหมายของเราเนี่ยเราตั้งความหมายว่าจนไม่ดีรวยถึงจะดีนะจนไม่มั่นคงรวยถึงจะมั่นคงเราก็สร้างความหมายขึ้นมาเราสร้างความหมายให้กับชีวิตเรา แล้วก็แข่งขันเป้าหมายคือว่าเรียนเก่งๆหาเงินเยอะๆเมื่อรวยแล้วจะมีความสุขจะมั่นคงทุกคนซื่อสัตย์ต่อโจทย์ที่สังคมสร้างค่านิยมให้กับเราพาะครูเองสี่สิบปีวิ่งไปตามโลกซื่อสัตย์มากกับการสอนเรียนเก่งๆนะลูกโตแล้วหาเงินมาเยอะๆแล้วรวยแล้วจะมีความสุข ก็ซื่อสัตว์มากไงต่อสู้เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายเดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็ลุกเดี๋ยวก็ล้มเดี๋ยวก็ลุกเดี๋ยวก็แพ้แล้วก็ชนะแต่บ้านปลายเนี่ยถ้าในแง่วัตถุแล้วเหมือนคนชนะนะก็อยากได้เงินก็ได้เงินนะแต่มันหาความสุขไม่เจอมันหาความมั่นคงไม่เจอฝรั่งบอกฟิลสกิลมันไม่ฟิลสกิลเลย มันกังวลตลอดไม่รู้สึกมั่นคงเลยกลัวกลัวเรียกค่าไถ่บ้างกลัวจะแพ้เขานะเหมือนเราสร้างตึกขึ้นมาสิบชั้นเหนื่อยมากเลยกำลังลงไปนอนข้างๆมันมีร้อยชั้นนอนไม่ได้ละกลัวมันจะดูถูกเรากลัวจะสู้มันไม่ได้ก็ทุกคนก็กัดฟันสู้ทนสร้างอีกบางคนสร้างตลอดชีวิต จนวินาทีสุดท้ายไม่มีกําลังจริงๆสร้างได้เก้สิบเก้าชั้นยังตายไม่ลงนะอีกชั้นหนึ่งยิ่งเสียดายเลยว่าเพราะเราตั้งความหมายไว้ตายไม่ลงทุกมากเลยเรียกลูกเรียกหลานมาสร้างต่อกลัวมันไม่ทุกเหมือนเรารุ่นต่อรุ่นใส่ความหมายเข้าไป ทั้งหมดคือเราเข้าใจคาว่าความสุขเนี่ยไม่ถูกต้องมันเป็นอวิชาอาวิชาคือความรู้ผิดความรู้ใดซึ่งแฝงด้วยความโลภโกรธหลงและมันทําให้เราทุกข์นันถือว่าเป็นอวิชาทั้งสิน้นนะส่วนบางคนไม่ใช่บางคนละ่ะตำลาหลายเล่มนะก็ส่วนมากแปลว่าอาวิชาคือความไม่รู้ ความไม่รู้นี่คือความโง่อย่างยิ่งผู้คนก็กลัวว่าเป็นคนโง่ก็เลยเรียนรู้ใหญ่เลยนะที่พระครูเมื่อกี้บอกว่าเรียนรู้จนจบสูงสุดเรียกว่าปริปริยาเอกเป็นด็อกเตอร์นะแล้วคุยกับไม่รู้เรื่องนะเพิ่งเดือนที่แล้วเนี่ยด็อกเตอร์คนนึงไม่ใช่ด็อกเตอร์จบใหม่ๆนะด็อกเตอร์ที่มีประสบการณ์ชีวิตจนจกกะเกษียณแล้วอายุหกสิบเอาปืนไปยิงอีกสองด็อกเตอร์ตายแล้วก็ฆ่าตัวเองตาย ในยุคนี้มันเกิดขึ้นอย่างนี้ได้ยังไงเอาก็มีความรู้สูงสุดแล้วไงเห็น ไ, ไหมแล้วทำไมไปฆ่าคนอื่นไม่พอฆ่าตัวเองตายนะอันนี้ก็ชี้ให้ดูว่าถ้าเราไม่ค้นหานะเขาบางคนบอกค้นหาความความหมายที่แท้จริงของชีวิตก็ไม่เป็นไร ดีกว่าชะล่าใจเขาตั้งโจทย์ให้เราความหมายว่ารวยแล้วค่ามีความสุขนะถ้าเราชะล่าใจไปอย่างเราตายเปล่านะนะคนที่รวยที่สุดในโลกตอนนี้เนี่ยก็ยังไม่สาเร็จเพราะเขายังไม่เสร็จสาเร็จแปลว่าเสร็จแล้วแต่เขายังไม่เสร็จถามว่าคนคนนั้นน่ะกล้ามาเที่ยวศูนย์เนี่ยคนเดียวไหมคำตอบคือไม่กล้าทำไมกลัวเขาไม่รู้สึกว่าเขา เขาปลอดภัยเลยนะก็หลายปีก่อนพ่อคูจะไปอินเดียนะจะพาน้องขีนะน้องขีลูกสาวเนี่ยแกไม่เคยไปไหนเลยนะจะไปด้วยบังเอิญเขามีพาสปอร์ตอเมริกันอันนี้พูดไม่เป็นไรไม่ได้เสียหายอะไรเป็นการเตือนสตินะ พ่อครูก็พาแกไปสถานทูตเขาไม่ให้พ่อครูเข้าไปพ่อครูแต่งชุดดำไปไงเขาคิดว่าคงเป็นโจรใต้มั้งพ่อครูพ่อครูเป็นพ่อเขาบอกพ่อก็ไม่ให้เข้าน้องขีไม่เคยออกไปลุยข้างนอกเลยก็เข้าไปคนเดียวพ่อครูก็ยืนอยู่หน้าสถานทูตอยู่ตรงข้างถนนน่ะมองหาที่นั่ง กำลังจะข้ามถนนไปรถมันก็วิ่งไปวิ่งมาเสือสิงก็ถทงแลบเยอะมากในกรุงเทพนะระวังนะประจนภัยนะเดินผิดปุ๊บมันเยียบเลยนะเราก็อยู่ในป่าทั้งนานแล้วไม่เคยออกออกไปสักทีหนึ่งนะมันก็ไม่เหมือนเก่าเดี๋ยวทีนี้หัวหน้ากาศเขาก็เดินมาเขามาถามพ่อครูว่าคุณมายืนอยู่ที่นี่ทำไมพ่อครูก็มองหน้าเขา ว่าทำไมเหรอที่นี่ไม่ใช่ประเทศไทยเหรอเขาก็ทำท่าตกใจเพราะกูก็เลยใหญ่ก็เล่นบอกว่าประเทศใหญ่ๆทําไมก็จอกจังเลยไม่มีที่นั่งให้เขาไม่ให้เข้าก็ไม่เป็นไรงไงทำได้ยังไงให้คนไทยยืนเลียงแถวอยู่ข้างพุทธบาททำไมเขาทำอย่างนั้นรู้ไหมเพราะเขาไม่รู้สึกว่าเขาปลอดภัย เขายิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแต่เขาไม่รู้สึกเขาปลอดภัยเพราะเขาทําคนอื่นไว้เยอะพ่อครูอดีตอยู่อเมริกาพก่อครูก็รู้สึกไม่ปลอดภัยนะไม่ปลอดภัยอะไรมีเยอะเท่าไหร่ก็ไม่ยังไม่ปลอดภัยเพราะว่ามันยังมีมากกว่าเราไม่ปลอดภัยกลัวมันขโมยกลัวมันป้นกลัวมันไปจับเรียกข้าวถายไม่รู้สึกปลอดภัยแต่ยี่สิบเจ็ดปีมาอยู่ที่นี่เนี่ย ไม่มีความรู้สึกปลอดภัยไม่ปลอดภัยหรอกแต่มันคือความปลอดภัยเพราะว่ามันไม่ได้กังวลอะไรเลยนะไม่มีรั้วรอบขอบชิดนะเออใครจะเข้าออกเมื่อไหร่ก็ได้นะไม่มีของหายไม่แต่หนึ่งชิน้นมันหายทุกวันนั่นแหละแต่มันไม่ใช่ของพ่อครูล้วกังวลอะไรเนี่ยยี่สิบเจ็ดปีเนี่ยพ่อครูปลอดภัยทุกวันนะ ที่พวกเรามาที่นี่ทำไมนั่นแหละเรากำลังมาหาคาว่าความหมายของชีวิตที่แท้จริงนะถ้าเราเจอมันแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยว่าคือธรรมชาติมันไม่มีความหมายมันมีแค่ความจริงถ้าเราเข้าถึงความจริงนั้นแหละเราจะรู้เลยว่าความจริงมันไม่มีความหมายมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเราจะเลิกแสวงหามัน แล้วเราจะอิสระกับการสแสวงหาทีนี้ก็ยกตัวอย่างอีกเรื่องหนึง่งที่บอกว่ามนุษย์เท่านั้นที่สแสวงหาความหมายนะยี่สิบเจ็ดปีที่ผ่านมาถ้าพ่อครูเจอวัดลีที่สวยงามนะที่ไพเราะแล้วก็มีประโยชน์นะ ถ้าพักูอ่านอะไรปุ๊บเนี่ยพอหันหลังพักคูลืมเลยนะที่พักคูลืมเพราะพะัพะกคูไม่จำนะพักคูไม่จํานะถ้าต้องการว่าอาจจะเอามาใช้ประโยชน์เพื่อเพื่อเพื่อถ่ายทอดที่ทุกคนได้ประโยชน์พักูก็มาร่างโน้ตนั่งจดเพราะพักคูใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็นพักคูสร้างคอมพิวเตอร์ด้วยตัวพักคูเองกลุ่มคนไทยแรกๆที่อเมริกาแต่ตอนนี้พักคูใช้ไม่เป็นกดมือถือก็ไม่เป็นนะกลายเป็นคนโง่ซึ่งไม่มีความทุกข์ หรือใครจะเป็นคนฉลาดซึ่งมีทุกข์ก็ชอบอะไรก็เป็นไปเถ อ, อะเนาะก็ ก, ก็เป็นเซนอย่างออาทิตย์นี้เอาเซนสักหน่อยหนึ่งเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็เปลี่ยนอย่างอื่นเนาะมาแลกเปลี่ยนตอนที่ท่านโพธิธรรมพระอาจารย์โพธิธรรมเนี่ยเป็นคนอินเดีย เป็นองค์ชายสามนะท่านไปบวชกับภิกษุณีนะเพื่อเมื่อท่านดวงตาเห็นธรรมแล้วเนี่ยอาจารย์ก็ดำดิให้เดินทางมาแถวตะวันออกเนี่ยนะเป้าหมายก็คือประเทศจีนตอนที่ท่านโพธิธรรมเดินทางมาถึงประเทศจีนนั้นจั ก, กรพัฒจีนได้เดินทางออกมาต้อนรับ ที่พรมแดนด้วยตัวเองทั้งนี้เพราะมีข่าวแพร่สะพัดมาหลายปีแล้วว่าท่านโพธิธรรมกาลังเดินทางมาและท่านเป็นผู้ที่ไม่ธรรมดาเมื่อจักรพัทหูเห็นท่านโพธิธรรมเดินมาโดยใส่รองเท้าข้างเดียวส่วนอีกข้างหนึ่งนั้นพาดไว้บนศีรษะ มันดูจะเกินไปทั้งที่พระองค์ก็ได้ยินมาอยู่แล้วว่าท่านโพธิธรรมเป็นคนแปลกแต่พระองค์คิดไม่ถึงว่าจะพลิกลึกถึงเพียงแค่นี้นะเพียงนี้การที่ท่านโพธิธรรมสวมรองเท้าข้างหนึ่งและเอาอีกข้างหนึ่งวางไว้บนหัวนั้นหมายความว่าอย่างไรหาความหมายอีกแล้วพิสนะูจน์หลายหมื่นรูปที่มาจากทั่วทุกสารทิศ มาเฝ้าต้อนรับก็รู้สึกงุ่นง่งานใจไม่น้อยเพราะเขาไม่รู้ว่าจากักรพัฒน์จะคิดอย่างไรในเรื่องนี้ชายผู้นี้กำลังทำลายศักดิ์ศรีของพวกเราทำลายศักดิ์ศรีพวกเราจนหมดสิน้นช่างเป็นสิ่งที่ไม่มีมารยาทและบ้าจริงๆมีอะไรผิดปกติไปหรือเปล่า ในที่สุดจั ก, กรพัทบู๋ก็เอ่ยปากขึ้นว่ามันอาจจะฟังดูไม่สุภาพนักแต่ข้าใคร่จะถามท่านทำไมท่านถึงเอารองเท้าไปวางบนหัวละ่ะแล้วท่านโพธิธรรมก็กล่าวว่าแล้วทำไมจะไม่ได้ละ่ะแล้วทำไมจะจะไม่ได้ละ่ะ ก็ในเมื่อรองเท้ามันเหนื่อยล้ามากมันพาข้าไปไหนต่อไหนมานานแสนนานแล้วทำไมข้าจะพามันไปไหนต่อไหนบ้างไม่ได้ท่านโพธิธรรมได้พูดอะไรออกไปท่านโพธิธรรมจะบอกว่าจงอย่าถามเพื่อหาความหมายเลยนั่นเป็นการแสดงธาตุแท้ในตัวท่านออกมา เพื่อที่ว่าหลังจากนั้นจะได้ไม่มีคนถามถึงความหมายอะไรอีกต่อไปสิ่งต่างๆได้แสดงไว้ให้เห็นตั้งแต่เริ่มแรกแล้วท่านต้องทำอะไรบางอย่างที่ดูไร้ความหมายเพราะตัวท่านเป็นคนที่ไร้ความหมายไร้ความหมายเชกเช่นเดียวกับดอกไม้หรือเมฆที่อยู่บนท้องฟ้านั่นแหละ มองดูให้ดีสรรพสิ่งล้วนไร้ความหมายจ้องดูมันสิสรรพสิ่งทั้งหลายหามีความหมายใดๆไหมความหมายเป็นสิ่งที่คนเราสร้างขึ้นมาและเพราะว่าท่านทั้งหลายมัวแต่มองหาเรื่องของความหมายมันจึงทำให้ท่านทั้งหลายรู้สึกว่าตัวเองไม่มีความหมายอะไรเซนกล่าวว่ามันไร้ความหมาย ไม่มีความจำเป็นอันใดต้องไปมองหามันจงดื่มดำไปกับการไร้ความหมายอันมากมายนี้เถอะมันไม่มีจุดหมายอันใดสรรพสิ่งไม่ได้กําลังจะไปไหนมันไม่มีจุดหมายใดๆเลยมันแค่เพียงดำรงอยู่ณนะตรงนี้เป็นการเฉลิมฉลองเป็นความปิติมันไม่มีความหมายอันใดการละเล่นนั้นเป็นความยินดีปีดา ในตัวเองอยู่แล้วธรรมชาติของสรรพสิ่งมิใช่เรื่องที่ต้องแก้ไขหากแต่ต้องใช้การยอมรับไม่มีทางอื่นใดไม่ว่าท่านจะเป็นใครหรือเป็นอะไรก็ตามมันคือสิ่งที่ท่านเป็นนี่คือการยอมรับที่ยิ่งใหญ่ที่พระพุทธเจ้าใช้คำว่าตัตา การยอมรับในความเป็นเช่นนั้นเองถ้าเร ย, ยอมรับปุ๊บเนี่ยเราก็ไม่ต้องแสวงหาความหมายเราก็ไ ม, ไม่ไม่ต้องไปทุกเพื่อจะหาความหมายนะไม่มีอะไรที่จะต้องไปเปลี่ยนแปลงเพราะทุกสิ่งทุกอย่างต่างก็มีความงดงามอยู่ในตัวมันอยู่แล้วนั่นแหละการรู้แจ้งทุกอย่างเป็นอย่างที่มันเป็นมันสมบูรณ์ดีอยู่แล้วนี่คือโลกที่มีความสมบูรณ์ในตัว ตัวเองอยู่แล้วในขณะนี้ท่านไม่ได้ขาดอะไรบางอย่างไปนั่นแหละคือประสบการณ์อย่างของสิ่งที่เรียกว่าการรู้แจง้งเราพยายามต่างๆนานาแต่ก็พากันล้มเหลวเพราะว่าสมมติฐานที่ตั้งไว้เป็นสิ่งที่หลอกลวงคนเราพยายามทำอะไรตั้งมากมาย แต่ก็ทำไม่สำเร็จการฝักใฝ่ในความสำเร็จนำมาซึ่งความอึดอัดขัดข้องเรามีเงินทองมากมายก่ายกองมีเครื่องอำนวยความสะดวกมากมายวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าขึ้นมาอย่างมากแต่ความทุกข์ยากกลับไม่ได้ลดน้อยลงทุกวันนี้เรามีความทุกข์มากอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนมันไม่น่าจะเป็นเช่นนั้น มองกันด้วยเหตุและผลแล้วมันไม่ควรจะเป็นเช่นนั้นในศตวตรรษปัจจุบันเป็นศตวตรรษที่มีพัฒนาการของด้านวิทยาศาสตร์สูงสุดคนมากล้นไปด้วยความมั่งคั่งมีเทคโนโลยีอันพร้อมพลังสามารถใช้ประโยชน์กับธรรมชาติได้มากมายแต่สุดท้ายแล้วคนยังทนทุกทรมานอยู่ดี มีอะไรผิดพลาดไปกันนั้นหรือเขาตั้งคำถามนะคำตอบคือสมมติฐานที่ตั้งไว้นั้นและที่ผิดพลาดถ้าในทางศาสนาเนี่ยเราก็เรียกว่าเรามีวิชาทิติเราเห็นผิดเป็นชอบเราเห็นว่ามีเยอะๆถึงจะดีเห็นว่ารวยแล้วถึงจะเห็นรวยแล้วถึงจะมั่นคงรวยแล้วถึงจะมีความสุขเนี่ยคือเราตั้งโจทย์ให้ชีวิตผิดซึ่งพวกครูก็พูดเรื่องนี้มาหลายปีนเนาะ ก็อันนี้เป็นเก็ดเล็กเก็ดน้อยนะเอามาฝากกันในอาทิตย์นี้<ม>เหมือน ก, นกันกับที่ท่านรู้จักพระพุทธเจ้านะหลายคนมาที่นี่เพราะเรารู้พระพุทธเจ้าไงเราได้ยินพระองค์มานาแล้วแล้วก็ศึกษาบ้างพระองค์ว่ายังไงสอนยังไงนะ เหมือนกับเหมือนกันกับที่ท่านรู้จักพระพุทธเจ้าพระเยซูมหาวีระนะหรือว่าพระศาสดาทุกพระองค์นั่นแหละแล้วพวกท่านก็เริ่มถกเถียงกันมันเป็นระยะห่างที่ช่างไกลเสียเหลือเกินเวลาข้าพเจ้าใช้คำว่าระยะห่างข้าพเจ้ามิได้หมายถึงระยะห่างในทางก า, กายภาพมันไม่ใช่ความห่างที่เป็นเรื่องของระยะทางนะ ก็เขาก็ยกตัวอย่างอันหนึ่งนะเม mm. no id. ื่อครั้งที่พระพุทธเจ้าเดินทางมาเข้าเฝ้าพระบิดาเมื่อวันเสาร์เราก็ดูซีรีส์พระพุทธเจ้านะตอนนี้ก็ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะถึงตอนนี้เราดูไปรอบหนึ่งละตอนนี้รอบนี้เดี๋ยวจะถึงพระพุทธเจ้าตอนที่ท่านท่านออกบวชเนอะเมื่อครั้งที่พรุทธเจ้าเดินทางมาเข้าเฝ้าพระบิดาทั้งทั้งที่ทั้งสองพระองค์ยืนอยู่ใกล้กัน แต่กับมีระยะห่างที่มิอาจประมาณได้อยู่ณที่ตรงนั้นพระพุทธเจ้ากําลังตัดอย่างหนึง่งแต่พระบิดาของพระองค์ก็ตัดอีกอย่างหนึง่งพระบิดาไม่ได้ตัดกับพระพุทธเจ้าพระองค์ก็กําลังตัดกับพระโอรสผู้ซึ่งในขณะนั้นไม่มีอยู่อีกต่อไปพระองค์ตัดกับอดีตที่ผ่านไปนานแล้ว โอรสผู้ออกไปจากวังนั้นได้ตายไปแล้วตายไปอย่างหมดจดที่หลงเหลืออยู่นั่นคือความรู้สึกตัวอันทั่วพร้อมของของคนใหม่ที่ได้คือกำเนิดขึ้นมานะคนใหม่ที่ได้ถือกำเนิดขึ้นมามันเป็นการฟื้นคืนชีพนะแต่พระพิดามองไม่เห็น มีเมฆมาบทบังพระองค์ไว้เมฆแห่งอดีตเมฆแห่งความโกรธได้บทบังพระองค์ไว้โอรสผู้ที่ทรยศต่อพระบิดาที่อยู่ในวัยชลาพระพุทธเจ้าเป็นโอรสเพียงพระองค์เดียวและพระองค์ก็ประสูติมาในขณะที่พระบิดาอยู่ในวัยชลาแล้วฉะนั้นจึงมีการยึดติดกับพระองค์มากพระพุทธเจ้าที่จะเป็นลัทธายาต ผู้ที่จะได้ครอบครองอาณาจักรทั้งหมดของพระบิดาและพระบิดาก็เริ่มชลามากขึ้นทุกวันและพระองค์ก็ทรงเป็นกังวลมากขึ้นโอรสของพระองค์ผู้ที่ได้กลายมาเป็นขอทานพระบิดาย่อมโกรธมากเป็นธรรมดาและเมื่ออรสเดินทางมาหาและไม่ได้เพียงแต่มาหาเฉยๆหากแต่พยายามพูดจากเกี้ยกล่อม วานล้อมให้พระบิดาทำอย่างที่พระองค์เป็นท่านคงพอจะมองเห็นภาพว่าพระบิดานั้นโกรธมากเพียงใดพระบิดาตัดด้วยเสียงอันดังกับพระโอรส ผ, ผู้ซึ่งทรยศพระองค์พระพุทธเจ้าตัดว่าไม่ทราบว่าพระบิดากำลังรับสั่งกับใครอยู่ชายผู้ที่เคยเป็นโอรสของพระองค์นั้นได้ตายจากโลกนี้ไปแล้ว มองที่หมอมชันให้ดีใครกันแน่ที่ยืนอยู่ตรงหน้าพระองค์ในขณะนี้หมอมชันไม่ใช่ชายคนเดิมบางสิ่งได้เปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงนี่เป็นคนคนอื่นหาใช่อรสของพระบิดาองค์นั้นไม่พระบิดาหัวเลาะและกล่าวว่าเจ้ายังคิดจะหลอกข้าอีกหรือเจ้าพูดอะไรของเจ้าเจ้านั้นบ้าไปแล้วหรือเจ้าคิดว่า ข้าบ้าไปแล้วเจ้าคือลูกชายของข้าลูกชายผู้หนีออกไปข้าจำหน้าเจ้าได้โลหิตของข้าไหลเวียนอยู่ในกายของเจ้าข้ารู้จักเจ้าดีข้ารู้จักเจ้าตั้งแต่วันแรกที่เจ้าเกิดข้าจะลืมไปได้อย่างไรข้าจะเข้าใจผิดไปได้อย่างไรและความเข้าใจผิดยังคงดำรงต่อไป พระพุทธเจ้าทรงแย้มพระสวนหลังจากนั้นจึงตรัสว่าพระองค์ได้โปรดฟังหม่อมชั้นให้ดีใช่พระองค์ให้กำเนิดหม่อมชั้นถึงแม้ว่าโลหิตอันเดียวกันก็กำลังไหลเวียนอยู่ในตัวหม่อมชั้นจวบจนถึงปัจจุบันแต่ความรู้สึกตัวทั่วพร้อมนี้ต่างหากที่หม่อมชั้นกำลังจะพูดถึงหม่อมชั้นกำลังพูดถึงตัวหม่อมชั้นนี่ หม่อมชันกำลังพูดถึงศูนย์กลางในตัวหม่อมชันมันเป็นสิ่งที่แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงหม่อมชันเคยยือนอยู่ในที่มืดมิดขณะนี้หม่อมชันได้มายือนอยู่ในที่ที่สว่างแล้วได้โปรดฟังหม่อมชันให้ดีพระองค์กำลังอยู่ในวัยชราหม่อมชันมองเห็นถึงสิ่งที่อยู่ตรงหน้าพระองค์กำลังสันเทา พระ อ, องค์มิอาจยืนอยู่นิ่งๆอีกต่อไปไม่ช้าไม่นานความตายจะมาเยือนพระ อ, องค์แต่ก่อนที่มันจะมาถึงจงเรียนรู้ที่จะภาวนาก่อนที่มันจะมาเคาะประตูเรียกพระ อ, องค์ไปจงพยายามรู้ให้ได้ว่าจริงๆแล้วพระองค์คือใครบทสนทนาทํานองนี้ยังดำเนินต่อไป ระยะห่างนั้นมันช่างกว้างเสียเหลือเกินไม่ใช่เรื่องใกล้เรื่องไกลสั้นยาวสูงต่ำแต่เป็นความต่างของสภาวะธรรมท่านอาจจะเคยได้ยินเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระเยซูพระอัลเลาะห์หรือศาสดาหลายๆพระองค์มามากมายท่านได้ถกเถียงเกี่ยวกับบุคคลเหล่านี้พวกเขายือนอยู่ณที่ไกลโพ้นบนยอดเขา และทุกสิ่งที่ท่านกำลังพูดถึงพวกเขานั้นช่างไม่เข้าท่าเลยเพราะมันเป็นเพียงแค่การคาดคะเนเท่านั้นผู้เจ้าถึงตัดว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราตถาคตนะเห็นธรรมคืออะไรนะเห็นธรรมคือเห็นความจริงในตัวเรานะั้นมีความจริงอย่างเดียวเท่านั้นนะซึ่งเป็นสัจธรรมความจริงคือจิต ร่างกายนี้เนี่ยมันประกอบด้วยดินน้ำลมไฟนะบวกกับวิญญาณธาตุความมีชีวิตเกิดขึ้นพอรอตายแล้วเอาไปเผามันก็กลายเป็นอากาศธาตุที่เหลือก็เป็นธาตุดินแต่สิ่งที่เผาไม่ได้กี่พันองศาความร้อนก็เผาไม่ได้ก็คือจิตนะผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคต เราไปหาแสวงธรรมไม่ใช่อยู่ที่อินเดียหรือภูเขาหิมาลาย์นะมันอยู่ข้างในเรียบร้อยแล้วพรนะพุทธองค์ถึงชี้ทางให้เราว่าต้องใช้กายเวทนาจิตธรรมกายในกายเวทนาในจิตในจิตธรรมในธรรมเราเข้าไปแสวงธรรมอยู่ข้างในเข้าไปในจิตในจิตนะไปเสพธรรมในธรรมธรรมในธรรมในตัวนี้คือธรรมลมนะ เป็นอารมณ์ที่อยู่จิตใต้สํานึกเรานะเป็นสัญญาเดิมที่เราบันทึกมาหลายภพหลายชาตินะทั้งฝ่ายบวกฝ่ายลบทั้งกรรมดีกรรมชั่วทั้งกุศลแล้วก็อกุศลนั่นคือกล่องปัญญาของเรานั่นแหละทุกวันนี้เราไปถกเถียงกันด้วยเอาภาษามนุษย์พระไตรปิฎกก็ตั้งอยู่ตรงนี้อันนี้รุ่นเก่าร้อยเล่ม วันดีคืนดีคนกลุ่มหนึ่งเนี่ยคิดสนุกอะไรก็ไม่รู้มองเข้าไปแล้วมีแต่นักวิชาการนะไปสังขย า, าพระจุลดกจากรุ่นเก่าในเมืองไทยนี้นะร้อยเล่มเนี่ยกลายเป็นเหลืออยู่สี่สิบห้าเล่มก็ไม่รู้เป้าหมายเพื่ออะไรจะให้มันสอบง่ายหรือเปล่าพวกกูก็ไม่รู้นะเรื่องนี้หลายปีมามีรูบาอาจารย์ผู้รู้มาที่นี่เยอะมากมาแลกเป็นกับพวกกูนะ ท่านก็เป็นห่วงศาสนากลัวว่าเราจะสอนอะไรผิดไหมนะแล้วก็มาแลกเปลี่ยนท่านก็ถามว่าสิ่งที่พระครูปฏิบัติอยู่ตรงนี้เนี่ยนะพระรเจ้าสอนอย่างนี้เหรอสมัยพุทธกาลมีไหมเห็นไหมนะแล้วก็ท่านพูดมันต้องยึดหลักสติปัฏฐานสี่อย่างนั้นอย่างนี้พระครูเอาละสิ่งที่ ท่านอาจารย์พูดมาเนี่ความรู้นี้เอามาจากไหนะท่านก็นิ่งหมดเขาว่าใช่ไหมตําลามันว่าใช่ไหมมีแต่เขาว่าทั้งนั้นแหละนะพระพุทธองค์รู้แล้วไงสักวันหนึ่งมันจะเกิดแบบนี้พระองค์ถึงบอกว่าอย่าพึ่งเชื่อตาําลาอย่าพึ่งเชื่อแม้กระทั่งคนที่พูดเป็นครูบาอาจารย์เรานะนะองค์คุลิมานก็คนหนึ่งนดีถูกอาจารย์หลอกให้ไปฆ่าคนหนึ่งพันคนแล้วจะสอนวิชาพิเศษ ซื่อสัตย์มากนะอาจารย์สั่งต้องมีนัยยะอะไรก็ไปฆ่าฆ่าฆ่าฆ่าฆ่าฆ่าฆ่าฆ่าแล้วกลัวมันลืมก็ตัดนิ้วมาแขวนคอไว้นะนับดูแล้ว9 9้าเ้า้หลืออีกหนึ่งก็สร็จสมร็จแล้วจะไปโปรดพระมารดาตัวเองฆ่าไปข้ามาเข้าใจว่าอุ้ยเป็นการเนี่ยทำให้เขาหมดเวรหมดกรรมเร็วๆจะไปโปรดแม่ ทางฝ่ายมารดา น, นั้นก็ได้ยินข่าวว่าทางการเนี่ยสั่งจับตายโจรองค์ุริมานแม่ก็มาหาลูกโจรก็ช่างความรักของแม่นี่ก็วิ่งจะมาช่วยลูกองค์ุริมานก็วิ่งไปหาแม่นะพระพุทธองค์เห็นวารา จ, จิตไงอดีตองค์ุริมานสร้างสนบุญกุศลมาเยอะมากนะส่วนที่ข่านี้ก็เป็นกรรมร่วมอย่างหนึ่งพุทธองค์ก็เดินมาเดินขวางไว้ นะองคุริมานบอกยุดยุดยุดยุดท่านเดินช้าช้านะ่ะแต่วิ่งไม่ทันเลยท่านพูดคำานึงว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดองคุริมานบอกหยุดได้ยังไงท่านยังเดินอยู่พระพุทธองค์บอกว่าเราหยุดทําความชั่วแล้วแต่ท่านยังทําอยู่คาคานี้องคุริมานเนื่องจากมีปัญญาเก่าอยู่แล้วนะแต่ถูกวิบากกรรมมันครอบงำอยู่ตื่นนะวางดาบ ภาวนาตัวบวชเห็นไหมผู้เจ้าบวชให้มหาโจนนะถ้ายุคนี้มีประวัติไม่ดีนี่บวชไม่ได้ผิดวินัยเลือกแต่คนดีๆจริงๆแล้วคนดีๆไม่ต้องมาบวชก็ได้นะเพราดีอยู่แล้วไงนะนอกจากดีอยู่แล้วเขาดียังไม่พอเขายัางมาดีขึ้นโอเคแต่คนที่มันเผลอชั่วแล้วมันจะกลับตัวก็ต้องให้โอกาสเขาเนี่ยผู้เจ้ายังบวชให้มหาจนองค์กุลิมาน แต่ว่ากรรมที่สร้างไว้ก็ไม่พ้นนะนะองค์คุริมาลไปบินทบาทก็ถูกคว้างหัวล่างข้างแตกลูกเมียเขาที่ว่าถูกฆ่าตายนะแต่องค์ุริมาลเนี่ยไม่ได้โกรธอะไรเลยยอมรับรับกรรมนั้นแต่กระทบไม่กระเทือนนะเพราะว่าจิตองค์คุริมาลบรรลุแล้วนะถึงจะบรรลุแล้วกรชั่งกรรมมันก็ยังส่งผลอยู่แต่มันกระทบไม่กระเทือนมันจะทําให้เราทุกข์ไม่ได้เท่านั้นเอง นะอันนี้ก็เป็นเคสหนึ่งให้เราเข้าใจว่าศีลนี่คืออะไรบางคนมาใหม่ๆเฮ้ยที่นี่ผิดศีลนะเนี่ยนะผู้ทรงศีลมาฟังเพลงได้ยังไงมาเต้นได้ยังไงนะนะเพราะกูบอกว่าอย่าพึ่งด่วนสรุปนะอ่าอย่าเพึ่งด่วนสรุปนะมีอะไรก็ค่อยๆมาพูดพูดจากัน ก็นี่ไงเขาบอกว่าฟังเพลงผิดศีล น, นะเห็นไหมแล้วก็คนบาราณเขาบอกเต้นกินลำกินเนี่ยเป็นอาชีพที่ไม่สํารวมเห ม, เหมือนเหมือนไปหลอกเขาอะ่ะเขาถูกแล้วไงไม่ได้ผิดอะไรนะถ้าเก่นเต้นกินแล้วก็ลำกินเอาที่เราเต้นเอาที่เราลำเนี่ยไปทํามาหากินเป็นอาชีพไปหลอกลวงคนอื่นเน่ยอันนั้นอย่ากระทํามันเป็นมายานะเอา้าฟังฟังเพลงก็ผิดแล้วเนี่ยนะเราไม่ได้ฟังเพลงสัหน่อยหนึ่ง เราฟังเสียงไม่มีแม้แต่หนึ่งเพลงเรารู้เนื้อหามันเลยนะรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์นี่คืออยายจนะภายนอกอยายจันะภายนอกหกคือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอารมณ์กระทบกับอยายจันะภายในคือตาหูจมูกลิ้นกายใจใจเป็นตัวรับอารมณ์ นะอันนี้มันกระทบกันปุ๊บนะถ้าเราตายไม่รู้เรื่องนะนะเอามีดมาฟันเราก็ไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเรายังไม่ตายเนี่ยมันก็มีวิญญาณวิญญาณที่หูถ้ามันรับปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดผัสสะขึ้นการรับรู้เกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าผสาัสสะนะอยนายตนะภายนอกหกอยายตนะภายในหกผัสสะหกก็วิญญาณหก พอกระทบหูปุ๊บมันก็ส่งกระแสะเข้าไปในเว็บไซต์เราไปให้มโนวิญญาณเรื่องนี้พ่อครูเคยอธิบายแล้วนะญาติธรรมที่ปฏิบัติมาแล้วมันข้ามพ้นความลังเลสงสัยแล้วไม่เป็นไรแต่ฟังอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันชัดเจนเพราะว่ามีท่านที่มาใหม่นะความรู้สึกลังเลสงสัยไม่ใช่เรื่องผิดนะใครใครก็เป็นเป็นทุกคนแหละนะ ก็เหมือนไอ้ชายสามคนเนี่ยเดินไปเถียงกันว่าเขายืนอยู่ข้างบนไม่ทำอะไรนั่นล่ะเป็นเรื่องปกติของทิติมานะของความเคยชินเราเคยชินอยู่แล้วเอะเข้าปิดปจไปไปจุดบัตรทาตามไปดทูที่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมหรือที่วัดน่ะก็ไปนั่งสงบสงเงฉยนิ่งๆไงอันนี้ก็ไม่สำรวมตังหากผิดศีลอีกเนี่ยนะพราะครูถึงเน้นบอกว่าอย่าไม่พิจารณาไม่ตัดสินนะอย่าด่วนตัดสินนะ ถ้าเราไปสร้างกรรมกับจิต ท, ที่เขาบริสุทธิ์มันเปรียบเสมือนอะไรรู้ไหมเหมือนเราเฟี้ยงบุ่งมลงขึ้นไปบนอากาศนั่นแหละถ้ามันไม่ชนอะไรมันจะกลับมาถึงตัวเองนะยังไม่เข้าใจอย่าพึ่งพูดมันอันตรายนะเพราะคูเคยยกตัวอย่างว่าเพราะกูผักเด็กคนนึงมันล้มลงไปร้องไห้ใหญ่เลยแล้วมันก็เดียวมาเห็นว่าเห็นพ่อกูผลักทุกคนนั่งอยู่ที่นี่ตำรวจมาทุกคนชี้เนี่คนนี้ผัก เด็กก็เป็นพยานว่าพ่อครูผักจับพ่อครูไปติดคุกขนี่ถามว่าทุกข์ไหมจะไปทุกข์ทำไมเราทําความดีเอาความดียังไงไปผักเด็กมันงูมันก็จะกัดเด็กคนนั้นเด็กมันก็ไม่เห็นไม่มีใครเห็นพ่อครูเห็นคนเดียวพ่อครูช่วยชีวิตเขาตัางหาบางครั้งอย่าเชื่อสายตาตัวเองมากเกินไปนะฉันเห็นจริงๆนะเห็นจริงๆนะเห็นหมดเลยพยานเต็มหมดเลย เห็นจริงหรือเปล่าแล้วเห็นทั้งหมดัหมโดยเฉพาะเขาเรียกว่ากรรมชี้เจตนาถ้าเราไม่มียานู้เราจะไปเห็นจิตเขาได้ไหมเขาทาสิ่งนี้ด้วยเจตนาบริสุทธิ์หรือเปล่าเจตนาดีไหมเราเห็นหรือเปล่านะเนี่ยถ้าไม่เห็นเจตนาเขาอย่าพึ่งด่วนสรุปก็อนนี้อีกล่ะก็ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นห่วงเพราคูก็แลกเปลี่ยนกันหลังจากคุยกันแล้ว นะพอกูก็เรียนถามว่าความรู้ที่ที่ท่านเป่องออกมาเนี่ยเอามาจากไหนเขาว่าใช่ไหมท่านก็นิ่งเห็นไหมพอกูก็เลยเรียนถามมาท่านว่ามีใครมีความรู้เรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยเท่ากับพระอานนท์ท่านก็เงียบหรือว่าใครปฏิเสธพระอานนท์ไม่ต้องแปลบาลีเป็นไทยแปลไทยมาทะเลาะกันอย่งนี้พ่านสะกดเหมือนกันคนหนึ่งแปลว่าอัตตาคนหนึ่งแปลว่าอนัตตา แต่พระอ น, นุนไม่ต้องไปแปลบาลีเลยรับจากพระโอส์โดยตรงเลยอันนี้โดยตรงจริงๆไม่ใช่ว่าโอ้รับจากพระโอส์หนังสือเขาว่านี่พระโอส์นะก็ไปเชื่อหนังสืออีกอย่าว่าจะแปบรบาลีเป็นไทยไมาดูแปลถูกหรือเปล่าอันนี้แปรไทยเป็นไทยยังทะเลาะ ก, กันอยู่นิพานเป็นอัตตาณตาก็ได้ไหมผู้เจ้าถึงล็อกไว้หมดเลยอย่าเพิ่งเชื่อนะทุกอย่างฟังหูไว้หูอย่าเพิ่งปฏิเสธนะท่านจงมาดูเถิดปฏิบัติเถิด ผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตทีนี้ก็ดำเนินไปนะหลังจากพูดอย่างนี้ครูบาอาจารย์ท่านก็นิ่งเราไม่เราไม่ได้พูดดีๆนะก็แลกเปลี่ยนไงออทีนี้พะกูก็กลาบเลี่ยงท่านให้ช่วยชั้นชี้เนี่ยพอเห็นเราเต้นเต้นบุบอันดับแรกเนี่ยท่านบอกว่าแค่สำรวมนี้ก็สอบตกแล้วเหมือนลิงเลยนะเห็นไหม เออเต้นแรงเต้นกาไม่รู้ท่าไหนท่าไหนท่านบอกว่าแค่สํารวมนี้ก็สอบตกแล้วทีนี้ก็เรียนถามท่านว่าสํารวมไปว่าอะไรสํารวมไม่ได้ไปว่าเรียบร้อยหรือมีมารยาทนะสารวมระวังสํารวมอินซีไม่เบียดเบียนตัวเองและคนอื่นเอาถ้าพกูนั่งอยู่ตรงนี้นะพะกูนั่งสํารวมมากเลยเรียบร้อย แล้วก็พูดเสียงเนบเ น, บ, เนบหน่อยหนึ่งนะใส่สเสน่ห์มหานิยมไปหน่อยหนึ่งนะแล้วก็แฝงด้วยความโกหกนี้ไม่สํารวมเลยมันไม่สํารวมต้องดูที่เจตนาภาษารีบุตรเนี่ยไม่ได้เรียบร้อยอย่างว่า น, น, นะมีอนุสัยแบบลื่นเลงเต้นไปเต้นมาปีนต้นไม้แล้วไปติดภาษาเราคิดว่าสํารวมต้องเรียบร้อยหรือ ม, มีมารยาท มีชายคนหนึ่งแต่งชุดสูท ร, ราคาหลายแสนเดินไปอย่างผู้ดีเห็นสตีตกน้ำบอกให้ฉันไม่ยุ่งฉันโดดลงไปเดี๋ยวฉันจะไม่สำรวมเดินหนีนะไปเห็นกระเป๋าตังใครตกไม่รู้เนี่ยเก็บอย่างผู้ดีเอามาใส่ในกระเป๋าเดินอย่างสารวมไปเลยอีกคนหนึ่งวิ่งมาเหมือนลิงเลยนะเห็นสตีตกน้ำวิ่งโดดลงไปช่วยเหลือเขา วิ่งไปเจอกระเป๋าตังค์เขาตกนี่วิ่งไปเอบของใครวิ่งไปส่งเขาถึงบ้านคนนี้สำรวมมากสำรวมคือระวังไม่ได้ไปว่าเรียบร้อยหรือมีมารยาทมารยาทของคนไทยมารยาิกับฝรั่งมารยาิกับคนจีนไม่เหมือนกันมันเป็นวัฒนธรรมที่ต่างกันเท่านั้นเองแล้วเราวัดกันว่าของใครดีสมัยนี้พ่อคูอยู่อเมริกาพ่อคูมีร้านอาหารนะนะเออมีลูกค้าประจําหละ นะตายายคู่หนึ่งอายุมากแล้วก็ยังทํางานอยู่ทุกคืนวันศุกร์ก็มาดินเนอร์กันเขาจีบกันทุกวันนะทุกคืนวันศุกร์วันเสาร์นะนะก็มาคุยกันคุยเก่งมากไปเล่าเรื่องตั้งแต่จันทถึงสุขเขาเจอปัญหาอะไรบ้างนะเออเขาก็แอนจอยดินเนอร์เขากินปุ๊บออกไปหน้าร้านปุ๊บเขาก็ยืนไปจูบกันคนไทยบอกไอ้นี่ไม่สํารวมอะถ้าเขาไม่สํารวมเนี่ยเขาจูบผิดนะเขา เ ข, เขาไม่จูบ ป, ปากลนะ้วก็จะไปจูบถึงก้นอะไรก็ไม่รู้นะเราเอาความเคยชินเราเนี่ยเป็นา ม, ามาตรฐานนะเพราะว่าเราเข้าใจภาษาผิดเหมือนเราเข้าใจคําว่าความสุขผิดนั่นแหละเนี่ยแล้วก็เข้าใจคําว่าสํารวมผิดเราก็จะพลาดโอกาส ก, ก็พ่อครูก็ชี้อ่ะเขาไม่สํารวมอะไรเขาเต้นอยู่ตรงนั้นเขาไปตีหัวใครไหม ก็ได้ออกกําลังกายก็ดีไงเห็นมไหมล่ะกายเวทนาจิตธรรมเขาไปด้วยกันหมดเลยไงเขาผิดศีลข้อไหนเหรอเอาผิดศีลข้อไหนลองว่าสิ<น>เขาฆ่าสัตว์หรือเปล่าะ เ, เขาไปขโมยของใครไหมพูดปลดไหมเขากินเหล้าไม่เวลานี้เนี่ยไม่มีไม่มีผิดศีลจะข้อหนึ่งถ้าพูดถึงผิดศีล น, นะองคุลิมาณผิดศีลแล้วไง ไม่ใช่ฆ่าสัตว์นะฆ่าคนเก้าร้อย้าบเก้าทไมชาติเดียวนั่นแหละบรรลุทําได้แต่ไม่ใช่ทุกคนไปทําเหมือนองค์คุริมานนะมันไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวมีเด็กๆนั่งอยู่ที่นี่ต้องพูดให้มันจบก่อนเรื่ององค์คุริมานอย่าไปทําตามนะลูกไม่เหมือนกันนะเพราะว่าอาดีตองค์คุริมานเนี่ยเคยเกิดเป็นวัวตายายคู่หนึ่งนเนี่ยเลี้ยงวัวตัวนี้วันดีคืนดีเนี่ยคุณตาจัดเลี้ยงฉลองเนี่ยล้มวัวตัวนี้แล้วเรียกคนทั้งหมู่บ้านมากินวัวตัวนี้แก้มเล่า มียายคนเดียวท่านั้นไม่ยอมกินคุณยายก็เกิดมาเป็นแม่องค์ุริมานไงชวนถูกฆ่าไปเก้าร้อยเก้าสิเก้าเนี่ยล้วนแต่เคยกินเนื้อองค์ุริมานทังนั้นมันมีเหตุของมันอยู่ไม่ใช่ว่าอุย้ยพวกคูบอกว่าองค์ุริมานฆ่าคนแล้วมันรู้ทําได้เนี่ยไม่เหมือนกันนะเราอย่าว่าจะฆ่าคนนะฆ่ามดตัวหนึ่งเราก็ต้องรับกรรมนะไอ้บุญก็ส่วนบุญเลยบาปก็ส่วนบาป บังเอิญว่าส่วนที่เป็นบุญองค์คุริมานเยอะเหลือเกินแค่ได้พบพบระพุทธเจ้าทีนึงนี่น่ะต่อยอดบุญเลยเห็นไหมพระพุทธเจ้าบอกให้ละเวน้นให้ละเว้นสิ่งนี้อันนี้องค์คุริมานฆ่าคนนะผิดศีล น, นะในข้อฆ่าสัตว์ทีนี้พระอาหารหันต์จี้กงในสายจีนเขาเนี่ยกินเหล้ากินเนื้อสัตว์ ในบ้านเราก็ยังเถียงกันอยู่ไอ้พวกที่เขาไม่กินเนื้อสัตว์เขาด่าว่าพวกกินเนื้อสัตว์นี่พวกยักษ์พวกมานนะไอ้พวกนี้ก็ด่าไปคืนว่าไอ้นี่เทวทัตมาเพราะเทวทัตเคยขอพระผู้เจ้าหมายต่อไปนี้ให้ทุกคนไม่ต้องกินเนื้อสัตว์กินเจกินมังสวิรัตพระผู้เจ้าไม่รู้ญาตว่ามักน้อยสันโดษเขาเขาบินทบาทอะไรก็ฉันไปเถอะเราก็เลือกอาหารที่มันเหมาะ ก, กับธาตุเรานะ ตอนนี้เรามาเถียงกันเรื่องพวกนี้เห็นไหมเราก็เจอผู้ริเจ้าเหมือนกันไงเราก็ถกเถียงกันไม่หยุดเลยจนทุกวันนี้ทะเลาะกันทั้งบ้านทั้งเมืองเธอผิดฉันถูกไงเห็นไหมผู้ริเจ้าไม่ได้สอนให้เราเถียงกันทะเลาะกันไม่เคยสอนอย่างนั้นแต่ตอนนี้นะ่ะเราหลงว่าเรารู้ไงเราเป็นผู้รู้แล้ว ก็สร้างอัตตาขึ้นมาต่างคนต่างไม่ยอมกันทุกคนก็สร้างอัตราตัวตนมีทิฏฐิมานะคุยกันไม่รู้เรื่องนะก็ทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันมีที่มาที่ไปของมันแล้วมันไม่มีสูตรสำเร็จว่าวิชานั้นวิธีนี้จะบรรลุบรรลุทำได้หมดไม่มีทางแม้กระทั่งสิ่งที่เราทำก็ช่างนะบรรลุได้ไม่ได้อย่าเลิกปฏิบัตินะบางคนไม่รู้อีกกี่ชาติ บางคนสิบห้านาทีใช่ไหมพาหิยะไม่รู้เรื่องศาสนาเลยไม่รู้อะไรเลยเราดูชาตินี้นะชาติสุดท้ายพาวล่าไม่รู้เลยเป็นพ่อค้ามีแต่ค้ากำไรมีแต่โลภเห็นไหมแค่ได้พบผู้เจ้าครั้งเดียวเนี่ยเทศครั้งเดียวไม่ถึงสามนาทีเนี่ยบรรลุเป็นอรหันต์แล้วเห็นไหมอันนี้มันไม่มีสูตรสำเร็จนะเนนบัณฑิต เจ็ดขวบบวชแค่แปดวันบรรลุอรหันต์แล้วเห็นไหมตอนนี้เรามาเถียงกันว่าวิธีนั้นดีวิธีนี้ดีถ้าไม่ใช่วิธีที่ฉันพอใจว่ามันไม่เป็นมิจฉาสมาธิเป็นอะไรเนี่ยไปว่ากันอย่างนัน้ใครถนัดซ้ายก็พายไปซ้ายใครถนัดขวาพายไปขวาช่วยกันพายไม่ต้องเอาขาลานา้ำนะ นะอ้เรือลำนี้มันกำลังจะล่มแล้วนะไอเกตเล็กเกดน้อยมันเป็นนานาจิตตังมันเป็นมันมีจริตไม่เหมือนกันนะบารมีสร้างมาไม่เหมือนกันมันไม่มีสูสตรสมบเร็จหรอกว่าวิธีนี้ทุกคนบรรลุพร้อมกันไม่มีนะพ่อครูก็ถามครูบาอาจารย์ท่านที่มาเนี่ยบอกว่ า, วาเออหลังจากพูดเรื่อง อ, อ, น, น, อ, อนนุนแะล้วพระ อ, อนนนนะเอ้าพระอนนนรู้มากที่สุดแล้วทำไมไม่บรรลุธรรมล่ะเกือบไปไม่ทันนะ พวกนี้จะไปประชุมมารยาสง์เนี่ยต้องเป็นประธานด้วยถ้าไม่เป็นพระอรหันต์นี่เข้าประชุมไม่ได้บําเพ็ญเพียรถึงสว่างเลยนะมาก็ไม่บรรลุไงพักผ่อนนอนดีกว่าบรรลุกลางอากาศถามว่าสูตรไหนสูตรพระอานนท์เราเรียนแบบได้ไหมได้แต่มันจะบรรลุหรือเปล่าไม่รู้ลองดูนะอาจจะฟุกก็ได้นะ นเนี่ยยืนขึ้นมาก็ล้มลงไปนะล้มลงไปเลยนะพระธิดาเบียร์เขาทําอยู่เขาทิ้งตัวไหว้เลยทิ้งตัวไหว้สามเก้าไหว้ไหว้เก้าเพื่อมันจะฟุกไงนะช่วงที่มันวางกลางอากาศมันอาจจะว่างก็ได้นะแต่มันไม่ใช่สูตรสาเร็จว่าทุกคนทําได้เห็นไหมทีนี่พระอนุนที่พระองค์บรรลุเนี่ยสรุปแล้วไม่ใช่เป็นพระ อ, องค์รู้มากไม่ใช่เป็นพ่อพระองค์รู้มากไม่ใช่เป็นพ่อพระ อ, องค์วาง วิ่งวนเวียงวางแล้วก็ว่างแล้วก็ถือหลักนี้เดินต่อไปเราจังวางไม่ลงแล้วก็ได้วิ่งมาที่หูมารู้ที่ใจเกิดแรงวนขึ้นนะแล้วก็สร้างแรงวนเกิดแรงเวียงก็เวียงทิ้งทีเลยน้อยทีลยน้อยขัดเกลาจิตผ่องไสไปเรื่อยๆมันจะหมดเมื่อไหร่ก็ช่างมันไม่ต้องค้ากําไรเกินควรถามว่าเมื่อไหร่มันจะหมดก็อยู่ที่ว่าเราจะแบกมาเท่าไหร่ถ้าเราแบกมาเยอะเนี่ยเราก็ต้องใช้เยอะ เห็นไหมมันไม่มีสูตรสาเร็จวิธีการดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าคนทำไม่ดีคนทำดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าเป้าหมายในการทำมันไม่ดีถ้ามาปฏิบัติฝึกจิตเพื่อจะเป็นผู้วิเศษนะอ่ามีอภินญาหูทิพตาทิพหลับตาเห็นเลขสามตัวนะเดี๋ยวก็เป็นบ้านะ อันนี้คือเป้าหมายมันไม่ดีไงเอาละเป้าหมายดีแค่ไหนก็ไม่ดีถ้าวิธีการมันไม่ดีมันมันเป็นงูกินหางนะมันต้องไปด้วยกันทั้งหมดทีนี้วิธีการไม่ต้องไปสแสวงหาที่ไหนพวกเราบุญเยอะมากที่ได้เกิดมาอยู่ในร่างมนุษย์ผู้ประเสริฐได้มาพบคำสอนที่ยิ่งใหญ่พระองค์บอกหมดแล้ววิธีการก็ยกตัวอย่างเยอะนะ่ะนะใบไม้กำมือเดียวที่พระองค์ถือมาเนี่ยยื่นให้เราเนี่ย เอามาแค่ใบเดียวแล้วทำมันจริงจง จ, งจังๆเนี่ยมันก็มีโอกาสมีสิทธิ์หมนทุกคนนะกว่าจะเกิดเป็นมนุษย์ได้เนี่ยเขากั่นกองมาแล้วนะเออถ้าบุญไม่ถึงเนี่ยก็ไปเกิดเป็นหนูเป็นหมาเป็นแมวนะที่ตุ๊กแกมันร้องอยู่แถวๆนี่ส่วนมากส่วนมากจะเป็นอดีตเป็นเจ้าอาวาสนะนะพอสร้างแล้วเนี่ก็ไปหลงไปเฝ้าอยู่นะเห็นไมแลวบังเอิญว่าไปทา อะไรที่ไม่ดีมาเนี่ยไม่มีบุญเกิดมาเป็นมนุษย์อีกก็มาเป็นตุ๊กแกมาเฝ้าสถานที่ตรงนี้ไงผู้เจ้าบอกให้ละเว้นอย่าไปฆ่าสัตว์บางทีเกียรหนูที่บ้านมากมาแมลงสาบก็เยอะไปฆ่ามันฆ่ามันบังเอิญตัวใดตัวหนึ่งเคยเป็นพ่อเรานะเคยเป็นแม่เรานะเห็นไหมเพราะว่าบุญมันไม่พอไง มันก็เกิดมาอยู่ในฐานที่ที่มันไม่เคยอยู่นะทีนี้ก็ฆ่ากันไปฆ่ากันมาเนี่ยเห็นไหมชาตินี้ชันเลี้ยงเธอชั้นหน้าเธอเลี้ยงชันหมุนเวียนอย่างนี้วัฏฏะสงสารไม่มีวันจบสิน้นสนุกดีเนาะเห็นไหมต้องอดทนนะโดยเฉพาะอวชาชนเยาวชนเนี่ยยิ่งใหญ่มากลูกอายุขนานนี้มาบวชแล้วเนี่ยแต่ว่ามีอารมณ์เบื่อไหม เบื่อแน่เพราะคูไม่ต้องถามหรอกบางคนก็เบื่อบ้างบางทีก็สนุกบ้างบางทีก็เซ็งบ้างอะไรบ้างมีอยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีอารมณ์เหล่านี้เราจะเรียนรู้กับใครละ่ะเราก็เรียนรู้กับอารมณ์นี้ไงไม่ใช่เบื่อสึกดีกว่าแล้วไปทำอย่างนั้นก็เบื่ออีกหนีดีกว่าเห็นไม้มอันนี้เคยพูดนะ สุนัขตัวหนึ่งมันมันเป็นขี้เลือนมันมันมันะมันมานอนอยู่ตรงนี้นะมันคันคันคันคันมันบอกให้ที่นี่ไม่ดีกูหนีไปที่อื่นดีกว่าไปที่อื่นมันก็ไปเกาคันคันคันอีกเอ้ที่นู่นก็ไม่ดีอีกแล้วหนีมันตลอดชีวิตแล้วเดินหนีมันมาหลายชาติแล้วนะอันนี้หลวงพ่อชาเคยพูดถึงเรื่องธรรมะหมาขี้เลือนเราอุตสาหเกิดเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐแล้วยังอยากกลับเป็นหมาขี่เลือนเหรอแน่นอน เขาไม่ต้องปล่อยให้เราไปง่ายๆหรอกเขาบอกว่าอย่าค้ากําไรเกินควรสร้างกรรมมาตั้งหลากหลายกระบุงเลยเนี่ยนะออคิดว่าปฏิบัติมาไม่กี่วันกี่ปีบอกว่าเอ้ยเมื่อไหร่จะไม่เมื่อไหร่จะบรรลุเนาะเมื่อไหรจ่นะรจะเป็นพระอรหันต์เป็นหมูหันไปก่อนให้คนอื่นเขากินยังมีประโยชน์อยู่อย่าใจร้อนขนาดนั้นเนาะนะเรายิ่งใหญ่มากลูกเมื่อได้พบแล้วเนี่ย ผู้เจ้าให้เครื่องมือมาหมดนะบางครั้งก็ต้องขันติเนี่ยมันเบื่อก็ต้องขันติสิอย่าขันแตกก่อนนะบางทีกิเลสมันจะอ้างโน้น อ, อ้างนี่นะกิเลสเนี่ยเขาสุดยอดเขาเป็นครูที่ยิ่งใหญ่เราเนี่ยก็เรียนรู้กับเขานะอย่าเพิ่งท้อถอยนะเออบางทีท้อแท้ได้ อย่าห้ามท้อถอยห้ามถอยนะเราเกิดมาบุญเยอะแล้วได้มาพบพระพุทธเจ้าแล้วนะนะต้องศรัทธาตั้งมั่นอย่าพึ่งใจร้อนแล้วก็จบที่คําสุดท้ายนะทั้งสามเณรทั้งแม่ชีน้อยเราพวกนี้แหละนะไม่ใช่แม่ชีน้อยแหละแม่ชีคนโตด้วยนะคุณยายคุณป้าอะไรเนี่ยสวเนี่ยก็ฟังด้วยแม้กระทั่ง อายุยุ่มากเนี่ยอดเปรี้ยวกินหวานบางครัอดมาตลอดชีวิตจนอายุจะแ0ดสิบแล้วอดเนี่ยอดไปอีกห <c> ร <oughs> ือเวลาหนึ่งวันก็อดอีกอย่าเพิ่งท้อถอยนะเ <c oughs> ห็นไหมมะม่วงน้ำดอกไม้ไปกินตอนที่มันดิบๆเนี่ยมันเปรี้ยวมากมันไม่อร่อยอดเปรี้ยวเอาไว้กินหวานนะถ้าไม่อยากเกิดอีกฟังพ่อครูนะ <c oughs> วันนั้นก็ถามคุณยายเข้าไปห้องน้าเดินออ บอคุณยายแก่แล้วสนุกไหมว่าโอ้ยทุกข์มากจํำแม่นๆนะห้ามแก่อีกแกมองได้ทํำยังไงล่ะก็อย่าเกิดอีกสิถ้าไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายมีอย่างเดียวเท่านั้นอย่ากเกิดแก้งลืมหมดอ่ะไม่รู้ตายมากี่รอบแก่มากี่รอบแล้วแก้งลืมแก้งลืมหมดนะไม่ใช่แก้งลืมจริงจริงจริงเหรอ ผู้เจ้าไปเจอวิธีลือฟื้นความความหลังไงมหาสติปัฏฐานอนุสติเป็นแค่รู้ตัวทั่วพร้อมมาใช้ชีวิตประจำวันนะมันไม่มีกำลังที่จะลึกรู้อดีตได้นี่แหละมหาสติปัฏฐานเนี่ยนะวิชาแรกที่ผู้เจ้าตัดสู้คือบุพเพนิวาสานุสติญาญญานรู้ว่าด้วยการระลึกชาติถ้าไม่ถึงขั้นมหาสติแล้วเนี่ยเราจะไม่มีมหาสติคือสติใหญ่ เราไม่สามารถมีกําลังจะเลึอรู้ๆๆ ta. อดีตได้พระองค์ตัสลูทำเนี่ยไม่ใช่พระองค์นั่งเทียนคิดเอาเองนะพระองค์ไปเห็นอดีตของพระองค์เองเนี่ยจะหมายเป็นพระเรษ ส, สันดอนเป็นอะไ ร, ะไรนั่นล่ะคือประสบการณ์ที่ผ่านมาจริงๆนี่คือวิชาแรกที่ผู้เจ้าตัสลูคือบุพเพนิวาสานุสติยานแล้วก็ไอ้วิชาแรกเนี่ยประสบการณ์ตอนนั้นทําให้พระองค์ไปเห็นเรื่องเราเกิดเพราะกรรมตายเพราะกรรมนะ พระ อ, องค์เลยตัดสลุวิชาที่สองคือจุตุปาตยานยานรู้ว่าในการเกิดเพราะกรรมตายเพราะกรรมไม่ใช่พระเจ้าที่ไหนมาให้เรากําเนิดเป็นนูน่นเป็นนี่คนนี้แข็งแรงคนนี้ไม่แข็งแรงทําไมพระเจ้าเลือกที่รักมักที่ชังไม่มีพระเจ้าที่ไหนกรรมเราเป็นตัวกําหนดผู้เจ้าพูดชัดเจนนี่คือวิชาที่สองที่พระ อ, องค์ไปตัดสลุว่าเราเผอสร้างกรรมมาตั้งหลายแสนกับแล้วจะมาจ่ายในชาติเดียวนี่มันเป็นไปไม่ได้ นะพระองค์ไปตัดสรุวิชาที่สมเนี่ยคืออาสวะขยะยาณยานรู้ว่าด้วยการกําจัดอาวสวะกิเลสพระองค์ไปเห็นว่าต้นเหตุที่เราสร้างกรรมเพราะเรามีอาสวะกิเลสก็คือมัสมีองแปดนะที่พระองค์ไปตัดสรุอริยสักสี่นั่นแหละเราบุญเยอะมากเกิดมาไม่ต้องงมเข็มในมหาสมุทรก็เจอแล้วไงชี้ทางให้หมดเลยเอาแผนที่กลางให้ดูอยู่ที่ว่าจะเดินไหมโอกาสเดินเข้าทางแล้ว ยังจะให้ไอ้เบื่อมันมาหลอกเราไอ้เซงเบื่อหลอกเราถอยเนี่ยเราโง่นะก็ไม่เป็นไรเวลาเกิดมันสนุกดีเนาะมันเกิดมามันก็แหกปากร้องเนี่ยต้องการอีกน่ยต้องใช้คําว่าชอบยังไงก็ไปอย่างนั้นก็นแล้วกันเนาะนิมนต์แต่พ่อครูเมื่อกี้เนี่ย พูดถึงเรื่องว่าความห่างเนาะที่พระพุทธเจ้าเนี่ยสนทนากับพระพระบิดานพราะครูเข้าใจอารมณ์นั้นเลยอันนี้เล่าเรื่องส่วนตัวให้ฟังหน่อยหนึ่งไม่มีธรรมะอะไรที่ดีกว่าเอาเรื่องที่มันเกิดขึ้นกับเราเองเลยไม่ต้องแปแปลบาลีเป็นไทยไม่ต้องแปลไทยเป็นไทยทะเลาะ ก, กันนะเอาสิ่งที่มันเกิดขึ้นเราเนี่ยมาแบ่งปันวันที่แม่น้องคีเนี่ยเขาเสียชีวิตแกเสียชีวิตตอนอายุสา้าเอง มาอเมริกา่ากูมาอยู่กันไม่นานปุ๊บแกก็ยิ้มจากไปเลยญาติที่ทำร้องไห้เพราะพักคูบอกสอนตั้งกี่ครั้งแล้วร้องไห้ทําไมความตายเป็นแค่ความเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ความสูญเสียนะทีแรกน้องดอนน้องขียายเขาก็พาร้องไห้พักคูหลังจากเสร็จแล้วก็เอาไปไประชุมมาร้องไห้ทําไมลูกแม่ยิ่งใหญ่มากแม่เสียสละทั้งหมดเลยเราเลิกหาเงินแล้วเนี่เราหอบเงินมาก้อนนึง นะโยนทิ้งโยนทิ้งทุกวันแม่ก็ไม่ว่าอะไรเลยแถมส่งเสริมด้วยนะแม่เขาไม่ใช่หมดบุญนะเขาหมดกรรมแล้วลูกนะแม่ก้าวไปถึงข้างหน้านี่ไปร้องไห้ทำไมไปเสียใจทำไมต้องเฉลิมฉลองใช่ไหมพองานเสร็จแล้วเป็นยังไงรู้ไหมนะคุณยา่าแม่พ่อคูเองบอกว่าเฮ้ยภาละหมดแล้วที่นี่ ไปทุกคนกลับอเมริกาแล้วบอกพ่อครูแต่งงานใหม่ด้วยนะพ่อครูก็งงคิดได้ยังไงเออก็ก็พ่กครูไม่ใช่พวกครูลืมคิดนะพ่กครูไม่เคยคิดเลยว่าเออท่านก็ไม่เห็นเราไงข้างในไงท่านไม่เห็นไงท่านรักเราท่านห่วงเราเหมือนลูกของท่านไงมันเป็นไปได้ยังไง สมมติว่าแม่เขาตายแล้วเนี่ยเราก็ต้องดูแล้็ก็ดูแลก็พาเด็กสองนี้กลับไปบ้านแล้วพ่อแม่เขาละพี่น้องเขาละเราจะไปทิ้งเขาได้ยังไงเนี่ยคือคิดคิดแบบคนทางโลกนะพักครูเข้าใจท่านวันนั้นพระกูกราบเท้าเลยนะแม่ร่างกายนี้ของแม่นะนะจะฆ่ามันทิ้งเดี๋ยวนี้เลยก็ได้แต่จะสั่งให้ไปทําอะไรที่มันมันไม่ใช่มันทําไม่ได้ มันไม่ใช่ลูกแม่ร่างกายนี้ของแม่แต่จิตมันไม่ใช่ลูกใครแต่ถ้าเราไม่ชัดเจนเนี่ยเราจะทำอย่างนั้นได้ไหมแล้วสุดท้ายเนี่ยยื้อกันมาเขาก็มาพยายามจะหวานลอ้อมบอกหลานเนี่ยอะไรอะไรอะไรเสื้ออะไรไปให้เขาไอ้เด็กสองคนนี้รับมันก็เฉยเฉยเลยเขาไปบ่นว่าทำไมไ ม, ไม่ตื่นเต้นเลยนะจะล่อให้เขากลับไปอเมริกา สุดท้ายม่ลูกใครดึงใครนะสุดท้ายอาม่าก็มาเผาที่นี่ถ้าเรารักแบบสมัยก่อนเนี่ยแล้วแกก็ไปร้องให้ญาติาพี่น้องฟังว่าเขาด่าพ่อครูนะนะถ้าพ่อครูดีจริงทําให้แม่ร้องไห้ทําไมญาติพี่น้องนะพ่อครูได้ยินข่าวพ่อครูก็เฉยนะแต่วันนั้นก็ถือโอกาสเคลียร์กับแม่ว่าแม่เนี่ยกราบเนี่ยไอ้ตัวนี้แม่ เอามันไปฆ่าไปทำอะไรเลยก็ได้แต่สั่งให้เลยให้ไปทำที่มันไม่ใช่มรรคไม่ใช่ทางมันทำไม่ได้แล้วก็บอกว่าที่เขาบอกว่าพ่อคูทำให้แม่ร้องไห้พ่อคูไม่ได้ทำอะไรเลยพ่อคูจะไปโง่สร้างกรรมทำไมแต่แม่วางไม่ลงแม่ก็ร้องไห้เองเราจะเป็นบ้าวาทำให้แม่ร้องไห้มีแต่บอกว่าวางวางวางแต่วางไม่ลงไงเนี่ยกรรมใครกรรมมันบุญใครบุญมันรักกันแค่ไหน ก็ให้กันไม่ได้ส่วนทางโลกเ น, น, นี่สร้างหนี้หนี้สินนี่ยเราก็จ่ายแทนกันได้พึ่งพาอาศัยกันระดับหนึ่งแต่เรื่องจิตเนี่ยไม่ใช่เรื่องเห็นแก่ตัวนะเป็นเรื่องเฉพาะตัวเราต้องเจียมเนื้อเจียมตัวแล้วฝืนกดแห่งกรรมใครกันไม่ได้ถ้ารักกันจริงๆก็แนะนำให้เขาเดินทางให้เขาปฏิบัติเองาสมบัติเราเราเป็นนักกีฬาทีมชาติเราแข็งแรงมากอยากเป็นแชมป์อ่ะ พอคนที่เรารักเนี่ยเขาไม่มีแรงแล้วจะแบ่งแรงกำลังอะไให้เขาได้ไหมเขาไม่ได้ไงเนี่ยกันลยมิรมาอยู่ที่นี่นะเนี่ยแอดเนี่ยแอดเนี่ยแอดเป็นคนเปิดเนี่ยเป็นคนเปิดเพลงให้เราเนี่ยนะตรงเวลาหมดเนี่ยนะเขาไม่เคยถามพ่อครูว่าเอ๊ะเขาเห็นแก่ตัวหรือเปล่าครอบครัวก็น่ารักพ่อแม่จะให้ไปช่วยการค้าก็ไม่เอาบ่าเขาเห็นแก่ตัวไหม บอกแอดทุกวันนี้แอดไหวไ้ใครนะเดี๋ยวเราจะออกจากศาลานี้ก็ต้องไหว้ใช่ไหมเราไหว้รูปเหมือนเนี่ยคือสัญลักษณ์ของพุทธเจ้าไหว้ทําไมไหว้เพื่อระลึกถึงครูบาอาจารย์ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานไม่ใช่ไหวในฐานะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเราไหว้คนไม่ดีทําไมเอาไม่ดียังไงถ้าแอดมาอยู่ที่นี่เป็นคนไม่ดีนี่นี่ไม่ดีมากเลยไม่ใช่ทิ้งลูกเมียเฉยๆนะทิ้งแผ่นดินเลย แล้วมันดีไหมล่ะถ้าพระองค์ไม่ทาอย่างนั้นเนี่ยทุกวันนี้เราได้มานั่งอยู่ที่นี่ไหมมีคนชี้ทางให้เราไหมนะมีด็อกเตอร์คนหนึ่งมาถามพระครูพูดแรงมากพระพุทธเจ้าก็มีกิเลสนั่นแหละพูดถูกหามันมีกิเลสอะไรวะอยากไปนิพพานก็ทิ้งลูกทิ้งเมียผมไม่ชอบพวกฟังฟังนะพระพุทธเจ้าคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานผู้ห่างไกลจากกิเลสแต่เจ้าชายศรีษยังมีกิเลสอยู่ แต่เป็นกิเลสในทางที่ดีพระองค์ไม่ได้ทิ้งลูกเมียพระองค์วางชั่วข่าวไปแสวงหาโมกกระทำพระองค์รู้ว่าขืนอยู่อย่างนี้ต่อไปเนี่ยคนที่พระองค์รักก็ไม่พ้นทุกพระองค์ก็ไม่พ้นทุกและพิสูจน์ยังไงพระองค์ไม่ได้ทิ้งเมื่อพระองค์บรรลุธรรมแล้วก็ไปโปรดทุกคนบรรลุธรรมหมดไงยังไม่เข้าถึงอย่าพูดนะมันเป็นวจีกรรมนะพระครูดโดนประเมินมาหมดแล้วล่ะ มาเจอภรรยาคนนี้เนี่ยอยู่ไปอเมริกาก็ไปด้วยพามาอยู่ในป่าก็มาด้วยทำอะไรก็ไม่เคยขัดแย้งเลยแล้วมันจะกล้าเกิดอีกมันจะโชคดีอย่างนี้ไหมพอแล้วแล้วเจอแม่ที่แสนดีนี่อีกหนีมาอยู่ในป่ายังตามมาเพราะลักลูกลักหลานอีกเห็นแล้วเราจะเจอแม่ดีอย่างนี้อีกไหมยอย่าเสี่ยงดีกว่าใช่ไหม และใครชนะล่ะสุดท้ายใครชนะนะดึงชักกเยอะนะอเมริกาก็จะดึงไปเพราะกูก็ดึงมาในป่าท่านก็รักเราเนี่ยก็มาเรื่อยๆไงนะสุดท้ายก็มาเผาที่นี่ไงอายุเก้าสิบไงธรรมะย่อมรักษาผู้พืชธรรมโอเคนะสุดท้ายนี้ก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนไตและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลจักรวาล